เรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนลน้นถ้ำต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครืถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครึอดังนี้ว่าท่านข้าบดี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 ครั้นผ่านราตรีนั้นไปเศรษฐีชาวกรุงราชครึให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตแล้วให้คนไปกราบทูลพัฒการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพัฒตาหารเสร็จแล้ว